วาะวะเวทนาขันโหมดละเจ็ดได้แก่เวทนาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอพยากลิตก็มีที่เป็นกลามวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุก็มีเวทนาขันโหมดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมดละเจ็ดอีกหมวดหนึ่งได้แก่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 ที่ม่นับหนึ่งเนือวะตะัตทุก็มีเวทนาขันธ์หมดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมดละยี่สิบสีได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤิตหนึ่งจึงมีเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ละถึงเพราะขานะสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอพยกฤิดหนึ่งจึงมีเวทนาที่เกิดแต่จักุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่คานะสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส เวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมดละยี่สิบสี่มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมดละยี่สิบสี่อีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจากกุสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเวทนาขันที่เป็นวิบากหนึ่งที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุท เ, เกิดวิบากหนึ่งจึงมีละถึง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 ที่มีทำภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาที่เกิดแต่จกักขูสัมผัสละถึงเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมวดละ24มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละ30สบได้แก่เพราะจากักขูสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเวทนาขันที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่ง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 เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมวดละสามสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละมากอย่างได้แก่เพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอภยากฤิทหนึ่งที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่มีนับหนึในวัตตทุกหนึ่งจึงมี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 เวทนาที่เกิดแต่จากผูสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมอดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมอดละมากอย่างอีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจากผูสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันที่เป็นวิบากหนึ่งที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากหนึ่งจึงมีละถึง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 ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุก็มีเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้น้เรียกว่าเวทนาขันพระหุวิทะวาระจบ ทุกกะมูลกะวาระบรรดาขันห้านั้นสัญญาขันเป็นไนสัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมบัยุดด้วยภาษะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพญากฤิก็มี สัญญาขันหมวดละสีได้แก่สัญญาขันที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับนึ่งในวัตตทุกข์ก็มีสัญญาขันหมวดละห้าได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยสมณสินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโทมนสินสีก็มี ที่สัมปายุทธ์ด้วยอุเบกขินร <cle aning> ีข <Let> ้อม um ีสัญญาขันหมดละห้ามีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมดละหกได้แก่สัญญาที่เกิดจากจักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่โสตสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่คานะสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่กายะสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสัญญาขันหมดละหกมีด้วยอาการอย่างนี้ สัญญาขันหมดละเจ็ดได้แก่สัญญาท e <gal> ี <rhyme ils> <mar> ่เกิดแต่จักขู่สัมผัสละถึงสัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนท่าสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณท่าสัมผัสสัญญาขันหมดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมดละแปดได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่สหรคตด้วยสุขก็มี ที่เสห์รคด้วยทุกก็มีสัญญาที่เกิดแต่มโนธาสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาสัมผัสสัญญาขันหมดละแปดมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมดละเก้าได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่กายยะสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนธาสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาสัมผัสที่เป็นกุศลก็มี ที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภยกลิก็มีสัญญาขันหมลก้ามีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมลสิกได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จากขูสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่สหรคตด้วยสุกก็มีที่สหรคตด้วยทุกก็มีสัญญาที่เกิดแต่มโนท่าสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณท่าสัมผัสที่เป็นกุศลก็มี ที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากตก็มีสัญญาขันหมดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันหมดละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมดละสามได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกเวทนาก็มี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 และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสัญญาขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสัญญาขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี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 ที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามก็มีสัญญาขันธ์ iteit, ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นของเสขาบุคคลก็มี <waited. S 1> ที่เป็นของอเสขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นปริตาก็มี ที <unlucky> ่เป็นมหคตตก็มีที่เป็นอปมาณะก็มีสัญญาขันธ์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตตเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มีสัญญาขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มี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 สัญญาขันโหมดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมบยุทธ์ด้วยภาษะสัญญาขันโหมดละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันโหมดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสัญญาขันที่กล่อมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี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 ที่เป็นของอเซขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเซขาบุคคลและอเซขาบุคคลก็มีสัญญาขันที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหคัตะก็มีที่เป็นอัปมาณะก็มีสัญญาขันที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหาัตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มี สัญญาขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีสัญญาขันที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิปดีก็มีสัญญาขันที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสัญญาขันที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มี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 ที่มีทาภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีละถึงสัญญาขันหมดละสิทธ์มีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะสัญญาขันหมดละสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปยุทธ์จากเหตุก็มีสัญญาขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี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 ที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีสัญญาขันที่สัมปยุตด้วยสังโยกก็มีที่วิปยุตจากสังโยกก็มีสัญญาขันที่วิปยุตจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่วิปยุตจากสังโยน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีสัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปะยุดด้วยคันธะก็มีที่วิปปะยุจจากคันธะก็มีสัญญาขันธ์ที่วิปปะยุจจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคาก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปยุดด้วยโอคาก็มีที่วิปปยุจจากโอคะก็มี สัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะก็มีสัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะ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 ที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรมาก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปะยุทธ์ด้วยปรมาก็มีที่วิปยุทธ์จากปรมาก็มีสัญญาขันธ์ที่วิปยุทธ์จากปรมากแต่เป็นอารมณ์ของปรมาก็มีที่วิปยุทธ์จากปรมากและไม่เป็นอารมณ์ของปรมาก็มีสัญญาขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี สัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสัญญาขันที่สัมประยุทธ์ด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุทธ์แจกอุปาทานก็มีสัญญาขันที่วิปยุทธ์แจกอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุทธ์แจกอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี สัญญาขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปะยุทธ์ด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุทธ์จากกิเลสก็มีสัญญาขันธ์ที่วิปยุทธ์จากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุทธ์จากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสัญญาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักก็มี สัญญาขัทา น, น, น ท, ที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีสัญญาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีสัญญาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีสัญญาขันที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสัญญาขันที่มีวิจารก็มี ที่ไม่มีวิจารณก็มีสัญญาขันที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสัญญาขันที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสัญญาขันที่สหรตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสัญญาขันที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรตด้วยอุเบกขาก็มีสัญญาขันที่เป็นกามวจรก็มี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 ที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีสัญญาขันที่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าก็มีสัญญาขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีสัญญาขันหมดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มีและถึงสัญญาขันหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ สัญญาขันโหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะสัญญาขันโหมดละสองได้แก่สัญญาขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีสัญญาขันโหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอนุขกรมสุขเวทนาก็มีสัญญาขันที่เป็นวิบากก็มีและถึง สัญญาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีและถึงสัญญาขันธ์หมดลสิทธิ์มีด้วยอาการอย่างนี้พึ่ขยายติกะแม้ทั้งหมดให้พิดารเหมือนในกุศลเติกะทุกกะมูลกะวาระจบเติกกะมูลกะวาระสัญญาขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่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 ที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีและถึงสัญญาขันหมดและสิษิ์มีด้วยอาการอย่างนี้ติกกะมู ล, ละกะวาระจบกุพโตวัตกะวาระ สัญญาขันหมดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะสัญญาขันหมดละสองได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันหมดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากรก็มีและถึงสัญญาขันหมดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมดละหนึ่งได้แก่ สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะสัญญาขันหมดละสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปยุทธ์จากเหตุก็มีสัญญาขันหมดละสามได้แก่สัญญาขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาก็มีและถึงสัญญาขันหมดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้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 สัญญาขันโมลสิธบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันโมลละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะสัญญาขันโมลละสองได้แก่สัญญาขันที่เป็นโลกียะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสัญญาขันโมลละสามได้แก่สัญญาขันที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ er, และเป็นอารมณ์ของกุปาทางก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเที่กรวมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีละถึงสัญญาขันโหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันโหมดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันโหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มี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 สัญญาขนั 2, Day, ญญาขนหมูดละสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาสวะก็มีสัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่สหรโคตด้วยปีติก็มีที่สหรโคตด้วยสุขก็มีที่สหรโคตด้วยอุเบชาก็มีและถึงสัญญาขันหมูดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมูดละหนึ <summertime> ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะ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 สัญญาขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันโหมดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุด้วยภาษะสัญญาขันโหมดละสองได้แก่สัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีสัญญาขันโหมดละสามได้แก่สัญญาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี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 ที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีสัญญาขันหมดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลก็มีและถึงสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยภาษะ สัญญาขันธ์หมดละสองได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีสัญญาขันธ์หมดละสามได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มีและถึงสัญญาขันธ์หมดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยพัสสะ สัญญาขันโมระสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะก็มีที่วิปยุทธ์จากคันธะก็มีสัญญาขันโมรลสามได้แก่สัญญาขันที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหักตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปมานะเป็นอารมณ์ก็มีละถึงสัญญาขันโมระสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันโมระหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุ 𝘦. ญญทธ์ด ok <im> ้วยภาษะ สัญญาขันโหมดละสองได้แก่สัญญาขันที่วิปยุตจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่วิปยุตจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีสัญญาขันโหมดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มีละถึงสัญญาขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันโหมดละหนึ่งได้แก่ สัญญาขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยภาษะสัญญาขันหมดละสองได้แก่สัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีสัญญาขันหมดละสามได้แก่สัญญาขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีและถึงสัญญาขันหมดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้ สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยภาษะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยโอคะก็มีที่วิปยุทธ์จากโอคะก็มีสัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มีและถึงสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้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 สัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สังปะยุทธ์ด้วยภาษะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีและถึง สัญญาขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันโหมดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะสัญญาขันโหมดละสองได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยโยคะก็มีที่วิปยุทธ์แจกโยคะก็มีสัญญาขันโหมดละสามได้แก่สัญญาขันที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี และถึงสัญญาขันหมวดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยัาษะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่วิปยุทธ์จากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุทธ์จากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสัญญาขันหมวดละสามได้แก่สัญญาขันที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภาย น, นอกตนก็มีและถึงสัญญาขันหมุดละสิทธ์มีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมุดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยัาษะสัญญาขันหมวดละสองได้แก่สัญญาขันที่เป็นอารมณ์ของนิวร์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวร์ก็มีสัญญาขันหมดละสามได้แก่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 พระหวิทวาระสัญญาขันหมลเจตได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็ น, have, ปนอกุ ศ, ศกลก็มีที่เป็นอัพยากตก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูบาวจรก็มีที่เป็นอรูบาวจรก็มีที่มีนับเนื่องใ น, งนงวัตถุก็มีสัญญาขันหมลเจตมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันโมลเจอีกหมวดหนึ่งได้แก่ สัญญาขันธ์ที่สัมปะยุดด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุดด้วยทุกขมสุขเวทนาก็มี ท, มที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุก็มีละถึงสัญญาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ anyway. ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีทำภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกลางวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่มีนับหนึ่งใ น, นวัตทุก็มีสัญญาขันหมุละเจ็มีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวนละยี่สิบสี่ได้แก่เพราะจากผูสัมผัสเป็นปัจจัยสัญญาขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอพยกฤิหนึ่งจึงมี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 สัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสัญญาขันหมวดละยี่สิบสี่มีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละยี่สิบสี่อีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจากปุสัมผัสเป็นปัจัยสัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาหนึ่งยังมีละถึง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 สัญญาขันหมวดละสาสบได้แก่เพราะจากภูสัมผัสเป็นปัจจัยสัญญาขันที่เป็นกลามวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับหนึ่เนื้อวัตถุหนึ่งจึงมีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย สัญญาขันที่เป็นกลาอาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับหนึ่งในวัตะทุกหนึ่งจึงมีสัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสัญญาขันหมวดละสามสบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละมากอย่างได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยสัญญาขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่ง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 ที่เป็นกาางาวจรหนึง่งที่เป็นรูปาวาจรหนึง่งที่เป็นอรูปาวาจรหนึง่งที่ไม่นับหนึในวัตถุหนึ่งจึงมีสัญญาที่เกิดแต่จกักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสัญญาขนันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขนันหมวดละมากอย่างอีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยสัญญาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาหนึ่ง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 ที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุหนึ่งจึงมีสัญญาที่เกิดแต่จกักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสัญญาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสัญญาขันพหูวิทาวาระจก